ตอเป็นบุญที่ได้อ่านโดยด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมทันทีที่พี่อูด๊ดหรือที่ใครๆมักจะเรียกว่าที่หลวงหรือคุณหลวงเปรยกับข้าพเจ้าว่ายังหาคนช่วยตรวจพรูปหรือเรียกเต็มยศว่าพี่สูตรอักษรหนังสือที่ท่านกำลังฟังหรือกำลังถืออยู่ในมือขณะนี้ไม่ได้ ข้าพเจ้าก็รีบอาสาทันทีโดวยว่าเป็นงานที่ชอบและถนัดอยู่แล้วแต่แรงบันดาลใจที่แท้จริงที่ผลักดันให้ขันอาสาทันทีทันควันทงั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้จะออกมาแนวไหนน่าสนใจแค่ไหนรู้แต่ว่าความหนาไม่ต่ำกว่าห้าร้อยหน้าที่แรกบอกว่าตั้งห0ร้อยหน้าหนังสือเล่มนี้จัดทาขึ้นด้วยความตั้งใจนแน่วแน่และความปรารถนาอันแรงกล้าของพี่อูด๊ด ที่ต้องการเทริดทูนองคหลวงตามาหาบัวยาณสัมปันโนพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเทิดทูนสุดชีวิตเช่นกันข้าพเจ้าทึ่งในความวิริยะของพี่อูดตั้งแต่ตอนได้รับโทรศัพท์ตอนเที่ยงวันนั้นว่าจะมาสัมภาษณ์ข้าพเจ้าที่โค ร, ราชพอถามว่ามาเมื่อไหร่พี่อูดตอบทันทีว่าเดี๋ยวนี้แหละกาลังจะออกเดินทางจากกรุงเทพแล้ว ถ้าเป็นวัยรุ่นใจร้อนคนหนึ่งก็ไม่เท่าไรแต่นี้เป็นชายชราที่สมบูรณ์เกินมาตรฐานแถมเจ็บอดอดออดแอดแอดภาระการงานก็มากมายจึงเป็นเรื่องน่าทึ่งอย่างยิ่งยิ่งมาทราบทีหลังว่าพี่อู๊ยังต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างกรุงเทพกับวัดป่าบ้านตาดัดไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวเพื่อให้การจัดทำหนังสือเล่มนี้สมบูรณ์แบบที่สุดยิ่งสุดทึง เริ่มงานแรกๆไม่มีความกังวลเลยเพราะได้เพื่อนรักเล็กสุมิตราสอนสงครามนักพิสูจน์อักษรมือฉังแห่งชวนพิมพ์มาช่วยซึ่งครอบครัวก็เป็นลูกศิษย์รุ่นเก่าแก่กว่า50ปีของหลวงตาแต่พอทำาไปทั้งข้าพเจ้าและเล็กก็เริ่มจะหนักใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเพราะผู้เขียนเล่าประสบการณ์ส่วนใหญ่ไม่ใช่นักเขียนอาชีพรวมถึงข้าพเจ้าด้วย การสื่อข้อความบางบทบางตอนจึงค่อนข้างเข้าใจยากเราใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการปรับสำนวนภาษาให้เป็นที่เข้าใจมากขึ้นเพราะเกรงว่าอาจจะไม่ตรงกับเจตนาเดิมของผู้เขียนก่อนตัดสินใจปรับจะทดลองอ่านให้คนอื่นฟังก่อนว่าเข้าใจไหมถ้าได้รับการยืนยันว่าไม่เข้าใจจริงๆจึงตัดสินใจปรับแก้แล้วลองอ่านให้ฟังใหม่ว่าเข้าใจดีขึ้นหรือไม่ หรือหากมีโอกาสพบกับเจ้าของเรื่องเช่นพี่อูดผู้ซึ่งสร้างผลงานที่น่าเวียนหัวที่สุดก็จะถามว่าปรับแก้แบบนี้ถูกใจไหมแต่ถึงงานจะโหดสักแค่ไหนข้าพเจ้าก็ขอพี่อูดว่าขอให้ข้าพเจ้ากับเล็กได้ตรวจสักคนละสามรอบเป็นอย่างน้อยดังนั้นหากยังมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยทั้งผู้เขียนและผู้อ่านมณฑ์ที่นี้ หรือฟังย่อหน้าก่อนหน้านี้แล้วอยากเข้าใจว่าภาระงานที่สูจนอักษรครั้งนี้สร้างความทุกข์กังวลให้ข้าพเจ้าตรงกันข้ามข้าพเจ้าได้รับความสุขความอิ่มใจความปีติจากการอ่านบทความทุกเรื่องที่ถ่ายทอดความซาบซึ้งใจและความอัศจรรย์ใจที่มีต่อองค์หลวงตาทุกคนมีความรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาธรรมขององคหลวงตาที่พร่ำแจกแจงธรรมะทั้งแกงหม้อเล็กและแกงหม้อใหญ่โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพียงเทศในช่วงโครงการช่วยชาติก็นับพันกันธรรมะจากจิตอันบริสุทธิ์กระตุ้นให้พวกเราเร่งรีบความเพียรและหลายคนก็ก้าวหน้าในการภาวนาเป็นอัศจรรย์นี่แหละคืออนุศาสนีปาฏิหาริ์ที่ท่านส่งเคราะห์พวกเราด้วยธรรมพวกเรามีความรู้สึกปราบปลื่มใจในความเมตตากรุณาอันประมาณไม่ได้ที่ท่านมีต่อชาติบ้านเมืองค้ำชาติค้ำแผ่นดินในยามวิกฤต สงเคราะห์โลกสงสารทั้งมนุษย์และสัตว์เล็กสัตว์น้อยตลอดจนสรรพสัตว์ในสามแดนโลกกระธาตุโดยไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากในธาตุขันหรือวานไหวต่อคำวิพากวิจาร์จากผู้ไม่เข้าใจหรือไม่หวังดีต่อองค์ท่านหลายคนมีความรู้สึกอัศจรรย์ที่หลวงตาอย่างรู้ความคิดและวาระจิตมีความแปลกใจระคนความสะดุ้งกลัวจนไม่กล้าบังอาจดื้อรั้นกับท่านอีก ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมนี่คืออาเทสนาปาฏิหารที่ท่านแสดงเพื่อกำราบหรือบางครั้งเพื่อให้กำลังใจลูกศิษย์ด้วยเมตตาบางคนมีความรู้สึกทึ่งในอิทธิปาฏิหารที่ท่านแสดงให้ประจักษ์เพื่อเป็นการส่งเคราะห์จากผู้ที่เคยก้าวล่วงท่านอันจะเป็นการก่อกรรมหนักกับตนเองก็กลับมาซิโรราบและกราบขอขมา ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็ยิ่งมีศรัทธาและมีกำลังใจในการสร้างความดีเพิ่มขึ้นเมื่อได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดจนจบเล่มใจหนึ่งรู้สึกปราบปลื้มและอนุโมทนากับเจ้าของงานเขียนทุกเรื่องในขณะที่อีกใจหนึ่งคิดห่วงผู้ที่ยังมีจิตที่ดื้อรั้นถือดียังปรามาดล่วงเกินท่านอยู่หรือผู้ที่เคยได้ยินกิติศัพท์ชื่อเสียงของท่าน แต่ยังไม่ขวนขวายมาสร้างบุญกุศลกับพระผู้เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลโดยเฉพาะยังไม่รีบเร่งก้าวเดินตามแนวทางที่ท่านพาดำเนินอย่าให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้และหากมีแม้เพียงคนเดียวที่พลิกจิตปรับใจได้ข้าพเจ้าก็ว่าคุ้มเกินคุ้มกับความทุ่มเทและความเหน็ดเหนื่อยของพวกเราอันมีพี่อู๊ดหรือคุณหลวงเป็นผู้จุดประกาย ขอขอบคุณพี่อูดหรือคุณหลวงและผู้เขียนทุกท่านที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้มีปีติธรรมจากการทำงานพิสูจน์อักษรครั้งนี้หลงชื่อดอกเตอร์ดาราวันเด่นอุดม